2.8 จุพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตวงเล็บเปิดสบดตุลาคม2550น้าห้าในวงเล็บหนึ่งจุดจุดนาทีสิบสามวงเล็บปิดมีอยู่ครั้งหนึ่งปี2526้าเป็นเวลาก่อนท่านจะมรณาภาพ36วันไปกราบท่านตอนเย็นเย็นท่านก็เทศเทศให้ฟังนะถึงทุ่มหนึ่งท่านหอบเลยผู้เฒ่าอายุเก้าสหปีพูดนานๆหอบเลย เรายังหอบเลยที่ต้องพูดกับโยมทุกวันท่านแก่กว่าเราเยอะพอเห็นท่านหอบเราสงสารก็เรียนท่านว่าเครื่องหมายคำพูดเปิดหลวงปู่ครับผมจะกลับแล้วปิดเครื่องหมายคำพูดท่านบอกเครื่องหมายคำพูดเปิดจะกลับหรยอยังกลับไม่ได้จําไว้นะพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงปิดเครื่องหมายคำพูด นี่ท่านให้มรดกไว้นะถ้าไม่มีประโยคนี้คลัมต่อไปไม่ไหวนะยากที่สุดยากมากเราเคยภาวนามาตั้งแต่เบื้องต้นเรามีตัวผู้รู้เราก็สงวนรักษาตัวผู้รู้มาตลอดเราเห็นตัวผู้รู้เป็นที่ฝากเป็นฝากตายเป็นที่พึ่งที่อาศัยผู้หลงตังหากนำความทุกข์มาให้แต่ผู้รู้นำความสุขมาให้แล้วเราสงวนรักษาผู้รู้ครูบาอาจารย์ท่านว่าเครื่องหมายคาพูดเปิด ผู้ปฏิบัติจะหวงตัวผู้รู้เหมือนจงอางหวงไข่ปิดเครื่องหมายคำพูดนี่ครั้งสุดท้ายเจอท่านท่านกลับสั่งให้ทำลายมันทิ้งไปให้ทำลายผู้รู้ถ้าไม่ทำลายผู้รู้ไม่ถึงความบริสุทธิ์ที่แท้จริงท่านถามในเครื่องหมายคำพูดเข้าใจไหมบอกเครื่องหมายคำพูดเปิดไม่เข้าใจเลยครับแต่จะจำไว้ปิดเครื่องหมายคำพูดบอกซื่อๆนะไม่มีการวางฟอร์มนะผมรู้แล้วเข้าใจแล้วไม่มี ไม่รู้หรอกแต่จะจําไว้เครื่องหมายคําพูดเปิดเออจําไว้นะไปได้แล้วไปปิดเครื่องหมายคําพูดหลวงพ่ออยู่กับหลวงปู่นะประโยคสุดท้ายก็คือในเครื่องหมายคําพูดไปทุกทีหลวงพ่อมาพูดกับโยมในเครื่องหมายคําพูดเชิญกลับบ้านสุภาพกว่านะอยู่กับหลวงปู่ในเครื่องหมายคําพูดไปไปมีแต่คําว่าในเครื่องหมายคําพูดไปนะไปทําเอา คิดถึงครั้งพุทธการเรียนธรรมะกับพระพุทธเจ้าแล้วโดนไล่เครื่องหมายคำพูดเปิดโน้นโคนไม้โน้นเรือนว่างโน้นหุบเขาโน้นถ้าไปทําเอาปิดเครื่องหมายคําพูดนั่นเรียนธรรมะต้องไปทําเอาแล้วอย่ามาเกาะครูบาอาจารย์อยู่นะเสียเวลาอยู่สุรินคืนหนึ่งเช้าขึ้นรถไฟไปแวะโคราชเป็นธรรมดาของหลวงพ่อเลยไปหาหลวงปู่ดูลั่นขากลับจะต้องแวะกราบหลวงพ่อพุธเข้าไปเจอหลวงพ่อพุธนั่งเทศอยู่ท่านก็ถาม <necessary. S 2> ในเครื่องหมายคำพูดไงนักปฏิบัติท <your> <trees> ่านเรียกหลวงพ่อว่านักปฏิบัตินะไม่เคยบอกชื่อท่านเครื่องหมายคำพูดเปิดไงนักปฏิบัติคราวนี้หลวงปู่สอนอะไรปิดเครื่องหมายคำพูดเครื่องหมายคำพูดเปิดหลวงปู่สอนว่าพบผู้รู้ให้ทําลายผู้รู้พบจิตให้ทําลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงครับปิดเครื่องหมายคำพูดหลวงพ่อพูดนั้นใครเคยฟังท่านพูดจะทราบว่าท่านพูดช้าช้านะ พอหลวงพ่อกราบเรียนท่านอย่างนี้ท่านก็พยักหน้าและพูดว่าเครื่องหมายคำพูดเปิดพบผู้รู้ให้ทําลายผู้รู้พบจิตให้ทําลายจิตนี่แหละเป็นสุดยอดกรรมาฐานปิดเครื่องหมายคำพูดนี่ไม่ใช่ล้อท่านนะเราลึกถึงท่านคำพูดของท่านฝังอกฝังใจกระทั่งสำเนียงฝังลึกถึงจิตถึงใจเรารักครูบาอาจารย์มากนะแล้วท่านก็เล่าให้ฟังว่า ก่อนหน้านั้นหนึ่งสัปดาห์ท่านก็ไปเยี่ยมหลวงปู่ดูลมาเหมือนกันพอจะกลับหลวงปู่ดูลก็บอกท่านว่าเครื่องหมายคําพูดเปิดเจ้าคุณอย่าลืมนะการปฏิบัติไม่ยากอะไรหรอกพบผู้รู้ให้ทําลายผู้รู้พบจิตให้ทําลายจิตปิดเครื่องหมายคําพูดแล้วหลวงพ่อพุธ ท, ท่านก็บอกหลวงพ่อว่าเครื่องหมายคําพูดเปิดคุณกับหลวงพ่อมาทํากติกากันไว้มาตกลงกันไว้ใครทําลายผู้รู้ได้ก่อนให้มาบอกกันให้ช่วยกันนะให้มาบอกกัน ปิดเครื่องหมายคำพูดโอ้ยเรายังเด็กเล็กเลยนะท่านเป็นผู้เท่าผู้ใหญ่ครูบาอาจารย์ท่านพูดอย่างนั้นเราก็โอ้นั่นคงเป็นอุบายหรอกเราเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ดูลยู่ยู่ท่านจะมาสอนเราก็ไม่มีธรรมเนียมท่านคงออกอุบายว่าถ้าท่านรู้แล้วท่านจะบอกหลังจากนั้นแล้วไม่ค่อยเจอท่านหรอกญาติโยมเยอะมากท่านก็หายไปเลยหลวงปู่ก็มรณาภาพไปแล้วเวลาพูดในหมู่ลูกศิษย์เราก็บอกในเครื่องหมายคำพูด หลวงปู่ น, นิพานไปแล้วพูดในที่สาธารณะเราก็บอกในเครื่องหมายคำพูดท่านมรณาภาพไปแล้วเพราะไม่มีใครรับรองท่านไม่มีพระพุทธเจ้าออกใบเซอร์ติฟิเคตในวงเล็บใบรับรองแล้วเราก็พูดไม่ได้เต็มปากแต่ก็เชื่อเชื่อเอาพูดเป็นทางการก็ในเครื่องหมายคำพูดท่านมรณาภาพไปแล้วส่วนหลวงพ่อพุธเราก็หาองค์ท่านไม่ค่อยเจอนะโยมเยอะท่านรับนิมนต์ตลอดไปวัดก็ไม่ค่อยเจอท่าน หลายปีจนกระทั่งครั้งสุดท้ายปีเท่าไรจำไม่ได้แล้วคือก่อนท่านมรณภาพไม่นานท่านไปเทศที่องค์การโทรศัพท์วันนั้นคนก็เต็มห้องนะท่านเทศเราก็นั่งฟังอยู่ห่างๆพอเทศเสร็จเราก็เข้าไปกราบท่านเรียนท่านว่าเครื่องหมายคำพูดเปิดผมไม่เจอหลวงพ่อนานแล้วปิดเครื่องหมายคำพูดท่านบอกว่าเครื่องหมายคำพูดเปิดหลวงพ่อจาได้นักปฏิบัติจริงๆมีไม่มากหรอกปิดเครื่องหมายคำพูดกราบเรียนท่านอีก เครื่องหมายคำพูดเปิดหลวงพ่อครับผมยังทําลายผู้รู้ไม่ได้เลยปิดเครื่องหมายคําพูดทีแรกท่านเทศมาเกือบชั่วโมงแล้วท่านก็เทศเอื่อยๆพราะบอกว่าผมยังทําลายผู้รู้ไม่ได้ท่านหันมาคึกคักเลยนะซุ้มเสียงเปลี่ยนไปบอกว่าเครื่องหมายคำพูดเปิดจิตผู้รู้เหมือนฟองไข่เมื่อลูกไก่เติบโตเต็มที่แล้วมันจะเจาะทําลายเปลือกออกมาเองปิดเครื่องหมายคําพูด โอ้โหพูดห้าวหารมากเลยเราฟังท่านเราก็รู้เลยว่าท่านเจาะทำลายเปลือกไข่นี้ออกมาแล้วนึกถึงในพระไตรปิฎกก็มีมีพราหมณ์คนหนึ่งไปด่าพระพุทธเจ้าว่าไม่เคารพผู้หลักผู้ใหญ่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเครื่องหมายคำพูดเปิดท่านนี่แหละผู้ใหญ่ที่สุดท่านเป็นลูกไก่ตัวแรกที่เจาะเปลือกออกมาได้ปิดเครื่องหมายคาพูดพอฟังสำนวนของหลวงพ่อพทธเหมือนกันแฮะจิตมันเหมือนลูกไก่นะ ตัวผู้รู้นั่นแหละเหมือนลูกไก่เมื่อโตเต็มที่มันจะเจาะทำลายเปลือกของมันฟังแล้วคุณธรรมท่านก้าวหน้าไปก็ดีใจนะได้ฟังแนวทางของท่านอีกระมัวแต่ไปหาวิธีเจาะเปลือกที่แท้มันเจาะของมันเองความจริงความรู้อย่างนี้ก็เข้าใจมาตั้งแต่เบื้องต้นแล้วแต่ว่าพอภาวานาภาวานาไปถึงจุดหนึ่งมันก็ลืมไปอีกหาทางทาอีกแล้วยังพวกเราก็จะหาทางทาใช่ไหม หรือไม่ก็จะหาทางทำไปเรื่อยๆตั้งแต่ต้นจนสุดทางเลยนะคิดแต่เรื่องจะทำทำอย่างไรจะดีทำอย่างไรจะหลุดพ้นทำอย่างไรจะบรรลุมรรคผลนิพพานคิดแต่จะทำลืมไปอย่างหนึ่งว่าถ้าทำได้จิตก็เป็นอัตตาไม่ใช่อนัตตานิพพานก็เป็นอัตตาเราบังคับเอามาได้ในความเป็นจริงแล้วทำทั้งปวงทั้งรูปธรรมนามธรรมา ท, ทั้งนิพพานล้วนแต่เป็นอนัตตาบังคับไม่ได้บังคับไม่ได้หรอก แล้วก็หลงทมในใจคิดตลอดเวลาว่าทำอย่างไรจะดีทำอย่างไรจะถูกทำอย่างไรจะดีทำอย่างไรจะถู ก, ถกพวกเราคิดไหมมานั่งเรียนกับหลวงพ่อนึกไหมว่าทำอย่างไรจะเข้าใจเข้าใจแล้วเราจะได้นำไปปฏิบัติได้ถูกหาทางทำให้ถูกจะบอกให้อย่างหนึ่งจะบอกซื่อๆนะในฐานะนักปฏิบัติ ด, ด้วยกันเครื่องหมายคำพูดเปิดทำอย่างไรก็ผิดจาไว้นะจำไว้นะ จิตมันทำของมันเองถ้ารู้ทันการกระทําของมันแล้วเราไม่ไปทําอะไรมันรู้ลูกเดียวรู้การปรุงแต่งโดยเราไม่ปรุงแต่งสิจิตจะก้าวพ้นการปรุงแต่งได้จำไว้นะปิดเครื่องหมายคำพูดวันนี้ยังไม่ได้ใช้ธรรมะอันนี้หรอกแต่ก็ฟังเอาไว้มีบุญวาสนาจึงจะได้ใช้ธรรมะนี้เสร็จแล้วเราก็จะได้รู้ว่าเออเนมันทาลายเองในขณะที่ตลอดทางของการปฏิบัติเราคิดแต่ว่าจะทาอย่างไรทาอย่างไร ในเพศของคารวาสจะปฏิบัติให้ประณีตถึงที่สุดนั้นไม่ไหวเพศของคารวาสเช้าตื่นขึ้นมาก็หัวซุกหัวซุนไปทํางานวุ่นวายทั้งวันนะกลับมาก็หมดเรี่ยวหมดแรงแล้วมาทํากรรมาฐานได้นิดๆหน่อยๆ ห, หมดแรงสลบทไหลเช้าตื่นขึ้นมาหัวสุกหัวซุนอีกแล้วเป็นอย่างนี้ตลอดอาศัยแต่การเจริญสติในชีวิตประจําวันพอเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงไว้การเจริญสติในชีวิตประจําวันนั้นช่วยให้เราได้ธรรมะเบื้องต้นได้ แต่จะถึงขนาดให้แตกหักข้ามพบข้ามชาติจริงๆนั้นยากที่สุดแต่ค า, ารวะที่ถึงที่สุดก็มีสังเกตให้ดีอย่างในพระไตรปิฎกค า, ารวะที่ถึงที่สุดอย่างพระเจ้าสุดโทธนะไม่มีอะไรจะทำนะท่านเจ็บหนักใกล้จะตายแต่ที่ไม่เจ็บก็มีแต่ว่าถึงที่สุดแล้วท่านขอบวชอันนั้นบารมีท่านเต็มแล้วเราเทียบท่านยากนะเทียบยากของเราบารมีไม่ได้แก่กล้าขนาดนั้น ฉะนั้นเราภาวานาให้ได้โสดาบันสกิทาคามีในเพศคารวาสนี้แหละพอหล่อเลี้ยงเราไว้มีโอกาสไปต่อเอาข้างหน้ามีโอกาสได้บวชภาวานาทำที่สุดของทุกข์แต่พอบวชแล้วมาภาวานาต่อก็คิดอีกว่าทำอย่างไรจะได้ทำอย่างไรจะได้นะก็อดไม่ได้หรอกคิดไปเรื่อยในใจมันก็เด่นดวงเป็นผู้รู้โดดเด่นทั้งวันทั้งคืนนะหลายๆวันมันก็หมองได้อีกเอ๊ะทำอย่างไรวะภาวานาทั้งวันถ้าเป็นแทบตายหมองหมองไปอีกแล้ว เรานึกว่าถ้าจิตที่เป็นผู้รู้เสถียนเมื่อไรก็คือนิพพานแต่จิตผู้รู้ไม่เสถียนสักทีจเจริญขึ้นไปช่วงหนึ่งก็เสื่อมลงไปอีกเป็นอย่างนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้าแล้วซ้าอีกหลายหลายทีนะจนท้อเลยท้อใจโอ้ชาตินี้ไม่ได้แล้วสุดสติสุดปัญญาแล้วไม่มีทางทาได้ ทำไม่ได้ก็ถอดใจเพราะถอดใจจิตมันเลิกดิ้นรนนั่งรู้นั่งดูของเราไปจิตใจก็ค่อยเปลี่ยนแปลงไปฉะนั้นจะหาทางทำให้จิตใจนี้หลุดพ้นทำไม่ได้หรอกมีหน้าที่เจริญสติรู้กายรู้ใจตามที่เขาเป็นรู้ไปเรื่อยๆนะรู้ไปเรื่อยๆใครอยากฟังภาค พ, พิสดารต่อจากนี้ไปก็มาบวชนะแล้วจะเล่าให้ฟังจริงๆแล้วไม่เหลือวิสัยที่มนุษย์ธรรมด า, รรมดาจะทาได้แต่เราจะต้องสร้างบารมี ไม่มีใครจะเป็นผู้ช่วยเหลือเราเลยในขณะที่จะทำสงครามข้ามภพข้ามชาติอาศัยแต่บุญญาบารมีที่สร้างมาอย่างสมควรแล้วรอบด้านแล้วถึงจะช่วยเราได้ในขณะทาําสงครามข้ามภพข้ามชาตินี้เหมือนในพุทธประวัตินั้นนะคือมีมารผจญมารจะผจญในขณะนาทีสุดท้ายที่จะข้ามภพข้ามชาติจะว่านาทีสุดท้ายก็ไม่ใช่ช่วงสุดท้ายอย่างพอเรานั่งลงไปแล้วเราก็จะภาวนา เป็นตายเราก็จะสู้ตายแล้วตอนนี้เราตั้งใจเด็ดเดี่ยวแล้วภาวนาไม่ถอยนะทีแรกที่ภาวนาอยู่นะจิตก็เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมีความสุขอยู่นะอยู่ๆฉับพลันตัวผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็พลิกตัวทีเดียวกลายเป็นผู้ทุกข์ล้นล้วนเลยไม่มีอะไรจะทุกข์เหมือนจิตผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วล่ะแมมอวิชาแท้ๆซ่อนอยู่ในตัวผู้รู้นี่เองมันเป็นตัวทุกข์สุดๆเลย แต่ว่าเราไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นมาก่อนแต่เดิมพอมีอะไรแปลกปลอมมีความทุกข์ขึ้นมาสติระลึกปั๊บขาดสะบั้นหมดทีนี้พอตัวผู้รู้เป็นทุกข์ขึ้นมาซิเองเระลึกลงไปเท่าไรไม่ขาดเลยไม่แต่ความทุ ก, กข์มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะขณะนั้นเหมือนมานรผจลจริงๆเลยจะมีความรู้สึกเลยว่าถ้าทนนั่งต่อไปนี่ถ้าไม่บ้าก็ตายตายนะจะรู้สึกเลยว่าจะตายแล้วถ้าไม่ยอมลุกจากการภาวนา ไม่ลุกจากอาสนะนี้ต้องตายแน่นอนอีกไม่นานนี้จะตายจิตนี้ได้รับความทุกข์แสนสาหัสมันจะระเบิดมีความรู้สึกเลยว่าถ้ามันระเบิดนะตายแน่นอนถ้าไม่ตายก็บ้าเคยได้ยินครูบาอาจารย์ท่านพูดมานานแล้วว่าในเครื่องหมายคาพูดนิพพานอยู่ฟากตาย เวลาผจญจริงๆเหมือนถ้าไม่ตายก็บ้าไม่มีทางเลือกมากกว่านี้คือทางที่จะถึงวิมุตตหลุดพ้นนั้นมองไม่เห็นเลยว่าจะเป็นไปได้ไมีแต่ความตายมารออยู่ต่อนหน้านี้เรียกว่ามัจจุมานตัวจิตผู้รู้ของเรานี่แหละเรียกว่าเทวปุตตมานเราเคยหลงว่าจิตผู้รู้เป็นตัวดีตัววิเศษที่แท้เป็นตัวหัวโจก ค, ความทุกข์ซึ่งอวิชาปกปิดซ่อนเร้นไว้นั่นเองส่วนความคิดปรุงแต่งเรียกว่าอภิสังขารมาน มันเป็นที่มาของกิเลสมานอภิสังขารมานเป็นการคิดปรุงแต่งของเรานี่เองมันรีบบอกเลยว่าถอยเถอะถอยเถอะถ้าอยู่ต่อไปนะจิตต้องระเบิดเปรี้ยงขึ้นมาตายไปไม่เสียดายหรอกแต่ถ้าบ้าจะเป็นภารักของคนอื่นนะนี่ดูมันสอนอย่างนี้ได้นะฉลาดมากเลยเราตายเองเราไม่กลัวเลยเรากลัวเป็นภารักของคนอื่นมันรู้ว่านิสัยเราเป็นอย่างนี้มันก็หลอกเราอย่างนี้อภิสังขารมานก็ว่าถอยเถอะ ความท้อแท้ใจเกิดขึ้นมานี้เรียกว่ากิเลสมารทั้งกายทั้งจิตคือขันธมารตัวธาตุรู้คือเทวปุตตมารมารห้าตัวนี้ประชุมกันทํางานอยู่ในขณะนั้นไม่จําเป็นต้องมีมารยกทัพมาจากที่ไหนหรอกก็มารในจิตในใจในธาตุในขันธ์ของเรานี่เองส่วนตอนที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ก็อาจจะมีเทวปุตตมารมาผจญจริงๆก็ได้เป็นอย่างนั้นก็ได้แต่ในความเป็นจริงของผู้ปฏิบัติแต่ละคนแต่ละคนนั้น มารในใจเรานี้เองน่ากลัวที่สุดมารมีอยู่ห้าตัวมารในใจนี้เองทำงานขึ้นมาในขณะนั้นนะเทวดาอินพรหมยมยักษ์อะไรหนีหมดนะไม่มีใครช่วยได้หรอกตัวคนเดียวล้วนๆเลยในขณะนั้นตัวคนเดียวล้วนๆที่ต้องต่อสู้กับมารตั้งห้าตัวจะเอาอะไรมาสู้ถ้าได้สะสมบารมีมาพอแล้วบารมีนั้นจะมาเป็นเครื่องมือในการต่อสู้ยกตัวอย่างนะอย่างทานนบะบารมีพวกเราอย่าดูถูกนะ ทำไมพระเวสสันดรบำเพ็ญทา น, นบารมีเต็มแล้วชาติต่อมาจึงสําเร็จเป็นพระพุทธเจ้านิยมแสดงถึงความสําคัญของทานนบารมีแต่เรามักดูถูกว่าทา น, นบารมีเป็นเรื่องกระจอกงอกงอยใช่ไหมทําบุญใส่บาตรบริจาคให้ขอทานให้สังคมสงเคราะห์ดูมันเป็นเรื่องง่ายๆความจริงทานนบารมีถ้าแก่กล้าถึงขั้นก็เป็นปรมัตถบารมีคือความกล้าที่จะสละชีวิตเพื่อธรรมะตายก็ตายสิ ใจกล้าหาญขนาดตายก็ตายสิช่างมันเถอะขอตามรู้ตามดูความจริงโดยไม่ทอถอยทั้งที่ไม่เห็นทางรอดตายก็ตายยอมสละชีวิตตายอยู่กับการปฏิบัตินี่แหละถ้าทานบารมีแก่กล้าก็ถึงขนาดสละชีวิตเพื่อธรรมะได้ไม่ใช่กระจอกงอกง่อยนะต้องสะสมไปหรืออย่างเราภาวนาเจ็บปวดปวดเมื่อยนิดๆหน่อยๆแล้วก็ถอยอย่างนี้ใช่ไม่ได้นะต้องฝึกจิตฝึกใจให้มันเข้มแข็งขึ้นเป็นลาดับลาดับ แต่ไม่ใช่ทรมานทูสีจนพิกลพิการอันนั้นก็โง่เกินไปแต่ต้องเข้มแข็งเราต้องมีอธิษฐานนบารมีอธิษฐานนบารมีคือความตั้งใจมั่นเมื่อตั้งใจแล้วต้องทำให้ได้ต้องฝึกนะอย่าถอยนะเช่นเราตั้งใจจะนั่งหนึ่งชั่วโมงต้องหนึ่งชั่วโมงนะแข้งขาจะหักก็ให้มันหักไปเลยต้องต่อสู้นี่เรียกว่าอธิษฐานนบารมีตายก็ไม่ถอยเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องดีงาม ปัญญาบารมีก็สำคัญมากขณะนั้นสติปัญญาหมุนจี้จีตลอดเวลาเลยไม่มีหยุดนิ่งเลยเนคขมะบารมีการออกจากกามก็มาทำงานในขณะนั้นนึกไม่ถึงว่ามันจะมาทำงานในตอนนั้นด้วยเพราะมันมันจะบอกให้เราถอยเถอะจะปฏิบัติต่อไปทำไมให้ตายหรือบ้าถอยออกมาแล้วเธอก็มีความสุขที่สุดในโลกอยู่แล้วมาอยู่ในโลกอย่างมีความสุขคนทั้งโลกไม่มีความสุขเท่าเธอหรอกเพราะเธอทรงภูมิธรรมอยู่แล้ว ให้อยู่สบายๆกับโลกแล้วค่อยไปทําต่อในพรมโลกมันบอกอย่างนี้นะแต่ใจที่มีเนกขมมะบารมีแก่กล้าไม่ติดความสุขในโลกแล้วก็จะไม่หลงกินเหยื่อที่มารเอามาล่อเหมือนเช่นที่พญามารเอาสมบัติจักรพัทมาล่อเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะแต่บารมีท่านเต็มแล้วไม่ติดความสุขใดๆในโลกท่านจึงไม่คล้อยตามคําแนะนําของมาร เนคข ม, ม่าบารมีนี่เราเคยต่อสู้เด็ดเดี่ยวที่จะไม่ติดในความสุขทั้งหลายทางตาหูจมูกลิ้นกายหรือความสุขเพลิดเพลินทางใจไม่เอาแล้วนี่คือเนคข ม, ม่าบารมีที่แกล้งกล้านะอย่าเอาความสุขมาหลอกเลยไม่เอาแล้วจะขอดูความทุกข์ให้มันถึงที่สุดนั่นแหละนี่ยกตัวอย่างให้ฟังนะเมื่อการต่อสู้ระหว่างมารกับคุณงามความดีถึงสุด ข, ขีดแล้ว ลูกไก่ที่โตเต็มที่แล้วก็เจาะทําลายเปลือกไข่ออกมาเองจริงๆอาสะวะที่ห่อหุ้มจิตอยู่นั้นถูกทําลายแตกกระจายออกไปจิตซึ่งทําลายอาสะวะแล้วไม่มีเปลือกหุ้มมันจะไร้ขอบเขตไม่มีที่ตั้งมันจะมีที่ตั้งได้อย่างไรเมื่อมันใหญ่เต็มโล ก, กระทาดมันเต็มโลกเต็มจักรวาลจิตกับธรรมนั้นเสมอกันจิตกับโลกก็เสมอกันเต็มโลกเต็มจักรวาลเลยไม่มีการไปไม่มีการมาไม่มีที่ตั้งมันเต็มไปหมด ไม่ไปไม่มาจิตพวกเรายังไปมาได้เพราะมันมีขนาดมีขอบเขตมีจุดมีดวงยังมีที่เหลือให้ล่อนเล่ไปได้ในสามโลกธาตุรู้สึกไหมจิตของเราวิ่งไปวิ่งมานะจิตเราวิ่งไปทางตาวิ่งไปทางหูวิ่งไปทางใจวิ่งไปวิ่งมาแต่จิตซึ่งทำลายเปลือกหุ้มออกไปแล้วนี้มีชื่อว่าในเครื่องหมายคาพูดวิมริยาทิกาตะจิตปิดเครื่องหมายคาพูดจิตนี้มีความใหญ่โตกว้างขวางเต็มโลกธาตุ ก็ไม่มีการวิ่งไปวิ่งมาไม่มีการวิ่งแล้วไม่มีความปรุงแต่งพ้นจากธาตุจากขันแต่ว่าครอบธาตุครอบขันครอบโลกครอบจักรวาลอยู่อย่างนี้จิตกับพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก็เป็นอันเดียวกันจิตกับธรรมเป็นอันเดียวกันจิตทรงธรรมอยู่แต่ในความเป็นจริงจะว่าจิตทรงธรรมอยู่ก็ไม่เชิงนะแท้จริงธรรมนั่นแหละทรงธรรมอยู่ชีวิตถัดจากนั้นเป็นชีวิตซึ่งไม่มีภาระชีวิตซึ่งไม่มีภาระ แต่ความสุขล้นล้วนอยู่ในแต่ละขณะขณะแรกๆที่เข้าไปสัมผัสความสุขชนิดนี้นะมันมีความรู้สึกเหมือนาธาตุขันของมนุษย์จะทนอยู่ไม่ได้เหมือนจะตายเลยจึงเข้าใจได้ว่าทําไมในตํารา ช, ชอบบอกว่าถ้าบรรลุพระอารหันต์แล้วเป็นคารวาสจะตายเลยตายในวันเดียวนั่นแหละไม่ใช่ตายในเจ็ดวันก็เพราะทนอยู่ไม่ได้นั่นเองเพราะว่าความสุขมันมหาศาลไม่ใช่ตายเพราะมีความทุกข์มากนะแต่ตายเพราะมีความสุขมากเกินไปจนทนไม่ไหว แต่ว่าความสุขนี้จะทรงอยู่ช่วงหนึ่งเรียกว่าในเครื่องหมายคําพูดวิมุตติสุขครูบาอาจารย์บางองค์ท่านเล่าให้ฟังอย่างหลวงปู่สุวัตสุวัตโจท่านเล่าว่าพอท่านทําเป็นแล้วท่านมีความสุขอยู่ปีก้กว่าๆหลังจากนั้นจิตก็เข้าสู่ความสมดุลของมันสบายมีความสุขอยู่แต่ไม่ใช่สุขรุนแรงนะจะมีความสุขตลอดเวลาเลยไปเจอท่านไปกราบท่านทีไรนะอยู่ๆท่านก็รำพึงว่าเครื่องหมายคําพูด สุขแท้เนาะสุขแท้เนาะปิดเครื่องหมายคำพูดนึกถึงในคัมภีร์อัตถคถาธรรมบทมีพระอาหารหันต์องค์หนึ่งนั่งอยู่ก็อุทานไปเรื่อยเดินอยู่ก็อุทานนะสุขเนาะสุขเนาะนะนี้หลวงปู่สุวั์ท่านเป็นคนอีสานท่านก็สุขแท้เนาะสุขแท้เนาะมีความสุขดังนั้นไม่ใช่ภาวนาแล้วมีความทุกข์นะภาวนาแล้วมีความสุขเป็นลําดับลําดับไปเบื้องต้นหัดภาวนาพอมีสติขึ้นมา ก็มีความสุขในฉับพลันนั้นเลยพวกเราฟังธรรมที่หลวงพ่อเทศให้ฟังนะพอสติตัวจริงเกิดจะมีความสุขในฉับพลันนั้นเลยมีทันทีนะไม่ใช่ลำบากก่อนแล้วสบายเมื่อปลายมือไม่ใช่นะอันนั้นมันลำบากทางร่างกายแต่ในทางจิตใจนั้นมีแต่ความสุขตลอดสายของการปฏิบัติมีความสุขมากขึ้นมากขึ้นนะร่างกายมันสุขบ้างทุกบ้างมันเป็นธรรมดาพอเรามีสติขึ้นมาเราก็มีความสุข มีสมาธิมีปัญญามีวิมุตตก็ยิ่งมีความสุขเป็นลำดับลำดับไป